สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงการชาตินิวส์นะคะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาในเด็กและโรคกล้ามเนื้อตาปีที่เจ็ดค่ะโดยกองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายจักษุวิทยาและฝ่ายวิสัญญีวิทยาที่ได้ทำการออกหน่วยตรวจรักษาและก็ผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาในเด็กและโรคกล้ามเนื้อตาในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะได้ไปออกหน่วยที่โรงพยาบาลศรีสเกต ในจังหวัดที่ห่างไกลมักมีผู้ป่วยโรคตาในเด็กและผู้ป่วยกล้ามเนื้อตาจำนวนมากที่ขาดโอกาสนะคะในการรักษาค่ะเพราะว่าโรคตาในเด็กนะคะไม่เหมือนกับโรคตาในผู้ใหญ่ทั่วไปอีกทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาเด็กในปัจจุบันยังมีจำนวนน้อยค่ะเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเพียงแค่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นค่ะที่มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนในภาคใต้นะคะมีที่จังหวัดสงขลาเพียงแห่งเดียวค่ะ ผู้ป่วยจึงต้องรอคิวผ่าตัดหนานจนเกิดผลเสียต่อการรักษาค่ะขณะเดียวกันผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะไม่สะดวกเดินทางไปรับการรักษาหรือว่าผ่าตัดจึงทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากนั้นพลาดโอกาสในการรักษาจนสูญเสียการมองเห็นหรือว่าสูญเสียภาพสามมิติไปอย่างถาวรค่ะ ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวนะคะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาซึ่งร่วมกับวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทำการออกหน่วยตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาในเด็กและโรคกล้ามเนื้อตาในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้ออกหน่วยที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ในการออกหน่วยแต่ละครั้งนะคะก็จะใช้เครื่องมือในการตรวจรักษาของโรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่ยกเว้นว่าโรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่ไม่มีค่ะโครงการก็จะดำเนินการยืมเครื่องมือของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปออกหน่วยโดยเครื่องมือในการออกหน่วยส่วนหนึ่งไดจากการจัดซื้อจากเงินกองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็กรวมถึงงบประมาณการออกหน่วยก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งกองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็กนะคะนอกจากจะสนับสนุนการออกหน่วยของแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่านตัดตาให้เด็กในจังหวัดที่ห่างไกลและส่งเสริมการรักษาโรคตาในเด็กประเทศไทยแล้วนะคะยังมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่มีโรคทางตาตลอดจนการจัดหาบำรุงหรือว่าซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการรักษาโรคตาในเด็กอีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ที่บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสภากาชาติไทยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี045ขีด288 000ขีด6ค่ะ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุความประสงค์บริจาคเข้ากองทุนรหัสกองทุน22041738โดยแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ฝ่ายพิธีการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผ่านไลน์ ID KCMSDonate ค่ะ หรืออีเมลนะคะ p h i t h i k a r n gmail.com หรือโทรศารัพท์02 251 7901เพื่อออกใบเสร็จและส่งกลับเป็นหลักฐานให้ทางไปรษณีย์ค่ะหรือสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ตึกวชิรยานวงศ์ชั้นล่างหรืออาคารสาราธินททัศนะคะข้างอาคารตึกพอปรอพร้อมระบุความประสงค์บริจาคเข้ากองทุนเพื่อการรักษาโรคตาในเด็กค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนา รายการ Rescue on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรมพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 ตำรับอาหารจากปัวผลิตภัณฑ์เวชสำปางและผลิตภัณฑ์แปลรูปจากปัวไอเดียการสร้างอาชีพจากปัวและคลินิกปัวที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจำหน่ายสายพันปัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบปัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปัวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง อ, อนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงจันทร์ถึงศุกร์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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 ออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรัว้วช่วงสนทนารอบรั้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวของฝ่ายผู้ชนะวิทยาและผู้ชนะบำบัดโ ร, รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยในการเตรียมอาหารให้แก่ผู้ป่วยในแต่ละวันมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ อาหารทะเลสดถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สำคัญในรายการอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในแต่ละวันนะคะซึ่งต้องใช้อาหารทะเลสดเพื่อนำ ม, มาปรุงอาหารวันละไม่ต่ำกว่าสามร้อยกิโลกรัมโดยเบื้องหลังการเตรียมอาหารทะเลสดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของคุณปราณีปัทมาโนนนะคะพนักงานครัวประจำห้องเตรียมอาหารทะเลค่ะผู้สังสมประสบการณ์มาเยาว์นานกว่าสามสิบปีในฝ่ายโพชนาวิทยาและโพชนบบาบัมบัดที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปอกเปลือกกุ้งค่ะด้วยฝีมืออันประณีตและรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษนะคะคุณปรานีเล่าให้เราฟังนะคะว่าเ ร, เริ่มเขาทำงานตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานครัวฝึกหัด เมื่อได้ฝึกฝนพื้นฐานจนชำนาญจรึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนัก ง, งานครัวประจำแผนกปรุงอาหารผัดก่อนที่จะย้ายมาประจำห้องเตรียมอาหารทะเลจนถึงปัจจุบันซึ่งกิจวัตรหน้าที่ประจำวันก็จะเดินทางมาถึงที่ทำงานตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีเพื่อที่จะเบิกวัตถุดิบอาหารทะเลสำหรับปรุงอาหารค่ะ จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบชนิดต่างๆทั้งแลบปลาเฉลี่ย 200-220 กิโลกรัมต่อวันและปอกเปลือกกุ้งเฉลี่ย 85-100 กิโลกรัมต่อวันทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรายการอาหารที่ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนาบำบัดได้กำหนดไว้ในแต่ละวันด้วยค่ะ ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์ในการเตรียมวัตถุดิบอาหารทะเลมายาวนานทำให้การปอกเปลือกกุ้งด้วยมีดเป็นเรื่องที่ง่ายภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีโดยคุณปานีสามารถปอกเปลือกกุ้งได้มากกว่าสิบตัวค่ะโดยที่กุ้งนั้นไม่มีอรอยขาดหรือว่าช้ำเลยตามปกติแล้วคุณปานีก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมอาหารทะเลสดทั้งหมดเพียงคนเดียวแต่ในวันที่ลาหยุดงานก็จะมีพนัก ง, งานครัวจำนวนสองท่านมาช่วยทำแทนให้ได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อให้ทานต่อการนำไปปรุงอาหารและนำส่งให้ผู้ป่วยตามเวลาค่ะเมื่อภารกิจเตรียมอาหารทะเลสดประจำวันเสร็จสิ้นลงก็จะใช้เวลาก่อนเลิกงานในเวลา14นาฬิกาฝึกสอนทักษะงานครัวให้กับพนักงานรุ่นน้องๆ น, นะคะโดยไม่หวงวิชาความรู้อีกด้วยค่ะ เมื่อได้สอบถามถึงมาตรฐานการดำเนิน ง, งานของฝ่ายผู้ชนะวิทยาและผู้ชนะบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคุณปราณีกล่าวว่าในทุกขบวนการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารการนำส่งอาหารให้แก่ผู้ป่วยสามารถรับประกันถึงความสดอร่อยทุถกสุข อ, อนามัยและก็มีคุณภาพตามหลักผู้ชนะการค่ะ โดยมีข้ df กำหนดเพื่อคุ б คุมการปฏิบัติงานของเจ้านที่ทุกคนอย่างเคร่ Ό. ทนะครับเช่นต้อง Ӿ โ eviden 简อ YouTube บ้องแบบอปกรณกนเตอร์ identified メ ìn ิ crawlett ten pteart และถุงมือในการปฏิบัติงานทุกครั้งรวมถึงต้องเบิกวัตชุดิบให้ตรงตามรอบเวลาที่กำหนดและไม่เบิกเกินจำนวนเพอให้วัตชุดิบคงคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอคะ จากผลงานการทำงานของคุณปราณีนะคะตลอดระยะเวลาสามสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาทั้งด้านความสามารถความวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบงานที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องประกอบกับอุปนิสัยส่วนตัวที่มีน้ำใจอัธยาศัยดีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเพื่อนร่วมงานทุกคนทำให้ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายผู้ชนะวิทยาและผู้ชนะบำบัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่นในงานวันครบรอบหนึ่งร้อยห้าปีการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงศร เมื่อวันที่30พฤษภา ค, คมที่ผ่านมาค่ะคุณปราณีนะคะยังบอกด้วยนะคะว่ารางวัลที่ได้รับถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำงานค่ะพักสักครู่เรากลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะรายการ Rest Calls on Radio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 よくコントみあらい、ドンガン。シャンのローマンココンチェディ。モンネタロコンチェロータンティ。ロインディティローチャガン。オプンチャイムチャカコンディティ。ラクニトコンカミカムランチャイ。ローチェロンプランケンサンワンマイ。チェタマライカトミディ。นนนร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 ララララララララララララララ อย่าไว้ให้กันละส์คอร์ตออนเรดีโอช่วงความรู้ผู้สุขภาพ เข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพค่ะน้ำมันปลานะคะหรือว่าฟิสโอล์ล์ค่ะมีอยู่ในปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยปลาค่ะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำมันที่มีประโยชน์ที่เรียกว่ากรดไขมันโอเมก้า3ค่ะเช่นแมคเคอเรลเฮอร์ริ่งทูน่าเซลโมนตับปลาคอสนะคะ โดยกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในน้ำมันปลานะคะคือกรดอีโคซาเพนเตออีโนอิกหรือกรดไขมัน EPA และกรดโดโคโซาเฮกซาอีโนอิกหรือกรดไขมัน DHA ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังรักษาอาการตาแห้งต้อกระจกต้อหินและความเสื่อมโทรมของกล้ามเนื้อจากอายุที่มากขึ้นซึ่งเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุที่อาจนำไปสู่ปัญหาสายตาที่รุนแรงและอยัางช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อดวงตาที่เกิดจากโรคเบาหวานค่ะทานเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อเอสโพรโลไรการอักเสบของลำไส้และโรคตับอ่อนอักเสบค่ะ ปลาเป็นอาหารบำรุงสมองบางคนรับประทานปลาค่ะเพื่อช่วยบรรเทาอาการจากภาวะซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วโรคสมาธสร์ทิซันโรคแอลไซเมอร์โรคการประสานงานของประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติปวดศีรษะไมเกรนโรคลมชักจิตเภทภาวะจิตใจผิดปกติจากเหตุการณ์รุนแรงและภาวะบกพร่องทางจิตค่ะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับค่ะว่าน้ำมันปลาหรือฟิชออยช่วยลดระดับไตกรกลีเซอไรด์และใช้กับการรักษาทางกายอื่นๆได้มากมายนะคะโดยใช้น้ำมันปลาเพื่อรักษาภาวะเกี่ยวกับหัวใจและเลือดบางคนทานน้ำมันปลาเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์รรและความดันโลหิตน้ำมันปลาก็ยังใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการอุดตันของหลอดเลือดแดงอาการเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะการผ่าตัดบายพาสหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นเร็วป้องกันลิ่มเลือดอุดตันและความดัน โลหิตสูงหลังการปลูกถ่ายหัวใจค่ะสำหรับผู้หญิงสามารถรับประทานฟริตซ์ออยล์หรือว่าน้ำมันปลานะคะเพื่อป้องกันอาการปวดประจำเดือนปวดเต้านมและภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์นค่ะเช่นการแทงบุตรความดันโลหิตสูงในช่วงอายุขันมากคลอดก่อนกำหนดทารกเจริญเติบโตช้าและกระตุ้นการเจริญเติบโตของทารกได้ค่ะ ประโยชน์มากมายของน้ำมันปลามาจากกรดไขายมันโอเมก้า3ที่ร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถผลิตไขายมันประเภทนี้เองได้และก็ไม่สามารถกลั่นกรดโอเมก้า3จากกรดไขมันโอเมก้า6ได้นะคะก็จึงต้องรับประทานจากผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารอีกทางยังช่วยลดความเจ็บปวดอาการบวมรักษาโรคสะเก็ดเงินหรือว่าตาแห้งได้โดยโกรดไขมันเหล่านี้ยังป้องกันการเกิดลิ่มเลือดซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากกับภาวะหัวใจบางประเภทค่ะ สำหรับเด็กนะคะหากรับประทานน้ำมันปลาจะช่วยเพิ่มสมาธิการทำงานทางสมองและพฤติกรรมของเด็กนะคะโรคอารมณ์สองขั้วค่ะโรคหัวใจโรคความผิดปกติด้านพัฒนาการประสานงานของอวัยวะปวดประจำเดือนภาวะผิดปกติด้านการขึ้นไหวในเด็กมะเร็งเยื่อบุพงหมดลูกนะคะความดันโลหิตสูงกระดูกพูนโรคสะเก็ดเงินโรคข้อต่ออักเสบรูมาตอย แต่น้ำมันปลานะคะอาจจะไม่ได้ผลสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพราะว่าการทานน้ำมันปลานั้นไม่ได้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ปล่วยเบาหวานชนิดที่สองแต่น้ำมันปลามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานเช่นลด ร, ระดับไขมันในเลือดที่เรียกว่าไตรกรลีเซอไรค่ะ นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงและการบริโภคน้ำมันปลาให้ปลอดภัยนะคะคือหากรับประทานสารอาหารจากน้ำมันปลาที่มากเกินไปค่ะอาจเข้าไปลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อและเกิดผลข้างเคียงหลายอย่างนะคะเช่นเลอะค่ะมีกลิ่นปากแสบร้อนกลางอกขึ้นไส้ถ่ายเลี้ยวเผื่อขึ้นและเลือดกำดาวออกค่ะ บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีภาวะความผิดปกติควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการทานน้ำมันปลาค่ะคือเด็กค่ะสำหรับเด็กเล็กๆยังไม่ควรทานน้ำมันปลามากกว่าสองออนต่อสัปดาห์เนื่องจากไขมันปลาบางชนิดนั้นอาจประกอบด้วยสารพิษอย่างป ร, ะรอททำให้ทานอาหารปนเปื้อนบ่อยครั้งอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายกับสมองจิตใจแล้วก็อาจทำให้เด็กถึงขั้นตาบอดหรือว่าชักได้ค่ะ นอกจากนี้ยังรวมถึงสติมีคานและแม่ที่ต้องให้นมบุตรโรคอารมณ์สองครัว้วโรคตับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคภูมิแพ้อาหารทะเลหรือปลาค่ะควรหลีกเลี่ยงหรือว่ารับประทานน้ำมันปลาอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาต่าไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรม